เนโมตัสสะภควะตูอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภควะตรหะตสัมมาสัมพุทธสเนโมตัสสะภควะตอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอะทาสิเมอะกาสิเมยาติมิตาสขาจเม เปตานังทักขีนังทัชชาปุเพกตะมนุสราตีคุณจะหันหน้าไปทางไดเนาะทางซ้ายถึงขวาทางหน้าวัดเจดก็เสาเนาะเพราะฉะนั้นต้องหันหน้าที่เลี้ยวซ้ายที่ขวาทีก็ต้องขออภัยได้เนาะกกขอือตั้งใจสักก้มเนาะเพราะว่าเขามาเป็นเกียรติที่คุณ ผู้สูงอายุอายุถึงเก้าสิบกว่าคนได้ตายไปนะก็เลยบอกว่าในช่วงที่ฟังเนี่ยถ้าคายว่าเขามีโอกาสได้นั่งสมาธิสักบึดนนะีใใงง่นะใจเขาจะสงบพอส่วนใหญ่แล้วบ้านเขาเวลาฟังเทศกัหันหน้าไปอู้กันนี่ทุกเจ้าก็รู้สึกว่าต้องจำเป็นนะนะจำเป็นจำใจเทศไปเรื่อยๆให้มันหมดเวลาแต่มาเวลาไปเทศที่ไหนท้ามีเจ้านะ บอกใม้วนเพราะว่าเขาได้ทําบาปได้ปัญญาของเขาบสบายใหญ่นะวัน <c oughs> นั้นก็ขอร้องกันว่าในช่วงที่เขาฟังนี่ก็ตั้งใจเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธินี่จิตให้สงบสบายแล้วก็มันจะมีกํำลังมีสติปัญญาเกิดขึ้นในการคิดอ่านการงานใดๆแล้ก็คิดลองคิดข้องคิดโรงคิดโปรงคิดเฉียบแหลมเฉียบคมแต่ถ้าเขาจิตเขา เราร้อนทรับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านจิตเขากัอยู่บ่มีสมาธิสดีปัญญาก็ะพริโหดหายไปนะเพราะนั้นวันนี้เขาม า, าเป็นเกียรติแล้วก็มาเพื่อกับร้งใจลูกหลานของไม่ไงผู้ตี่ลวงลับไปแล้วนะก็ อ, อ, อยู่ถึงเกก่อนนำะไมเองกอ็เราออกมาจากแผ่แสงเทียนได้ดกกี้เราไป อบรมอย่าโยมอยู่ปุ่นพอที่แผแสงเทียนวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดที่แปทุกเดือนมีกรรมฐานไปจําเดือนก็ไปช่วยกันท่านี่พราหันว่าคนเฮาเกิดมานี่ีเฮาบ่าได้หูจักตัวเองเนี่ยเฮาหูาซึกมีความมีความตุกนะวันนั้นกรรมฐานเราจะสอนห้าหูจักตัวเองอเพื่อเฮาจะได้ มีจิตใจที่สะอาดสว่างสงบเป็นมนุษย์เต็มตัวทุกวันนี้เขามีความเป็นมนุษย์น้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะความเป็นมนุษย์นี่มันมีเขตจํากัดของมันว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงหลวงพ่อพุทธทาสเป็นว่าเอาไว้เหมือนอย่างยุงมีดีที่แววขนหากใจต่ําก็เป็นได้แต่เพียงคนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาหรือว่าหากใจต่ําก็เป็นได้แต่เพียงคนบนว่า เป็นมนุษย์เป็นได้พอใจสูงใจเยือสูงใจจะดืดใจสูงได้ใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษย์ษาเพราะพูดถูกทําถูกทุกเวลาเปรมปีดาทุกคืนวัยสุขสรรจริงหมายความว่าพูดถูกคิดถูกทําถูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นมนุษย์เต็มตัวนะใจก็สาสว่างสะาสงบดังนั้นเราเกิดมาใน ปัจจุบันนี้เวลาเขาไปงานศพที่ไหนที่ไหนบอกไปสวดอภิธรรมนั่นนั่งมาเออจอรสอาจารย์อยุดเปิดถามว่ามีแท้กะเจ้าที่ว่าเมือ่อพันสายที่เจ็พระพุทธเจ้เปป า, าเปินเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวงสวรรค์พระพมารดาเปิ่นได้เรียกว่าได้สวรสดิหรือตายไปตั้งแต่เปินเกิดมาได้5ได้เจ็ดวันเนะาะได้เจ็ดวันกะตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ที่เขาฟังกันมานะอันนี้ประวัติเป็นว่าวาอย่าแต้บุแต้เดี๋ยวฟังกมคำหนึ่งว่าเมื่อพระสายทเจ็์หลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จออกอโปรดซั์หรือว่าได้สั่งสอนประชาชนคนทั่วไปแล้วก็เลยไปนึกถึงมันดาก็ไปโปรดไม่แต้ก็จะเป็นถามเนาะที่นี่คนทุกวันนี่บนนั่งบนเจ็ จะลวดหรือลอกเก็ตไปต่างดาวต่างโลกต่างอย่างต่างๆแล้วก็ บ, บรูหรหันว่าระสวรรค์สักจันทร์แม่จะคุดไปใต้ดินเ็นทะลุโลกแล้วก็ยังบูหันนโลกสักจันทบูหันโลกในดินสวรรค์นบนฟ้าบาูหันตแต่ความจริงโบราณเขาอุทวะสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินอันนี้ของแท้คือสวรรค์มันอยู่ในอกนรกอยู่ในใจนี้เมื่อไดที่ใจเขา ห่อนนรกมันก็เกิดขึ้นเมื่อได้จี้แจเขาเย็นสบายสวรรค์ก็เกิดขึ้นเมื่อได้จิ้แจเขาสงบนิพพานก็เกิดขึ้นในขณะนั้นทันทีในวินาทีเดียวกันน่ะสวรรค์ น, นิพพานนรกอาจจะเกิดได้พร้อมๆกันอันนี้ในพุทธศาสนาต้องเจือจีแต่เขาจะได้เขาไปฟังตามประวัติต่างๆเ ป, นปรนวัติพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้แล้วสั่งสอนประชาชนคนทั่วไปแล้วเผื่อเขไปโปรดพมันดา ความมันเป็ี่นมาจะไดเขาก็เลยเอาเรื่องที่พุทธเจ้าไปโพรดพมานดานในสวรรค์นเนี่ยเป็นพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปสวดงานจึงบอเอาอย่างอื่นที่ร้อยกี่วันกี่พันกี่ปีไม่นี้ก็สวดแต่กุศลธรรมมากุศลธรรมมเขาแปลว่าอย่างเขาก็ยังบอกชัดเจนกันนะแล้นั่นเป็นไปได้ก็ที่เราลองคิดกันแบบประชาชนคนธรรมดาว่า อย่างพุทธเจ้าเนี่ยเปิล ท, ทำงานมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออนักนะเดินทางไกลทางไกลไปที่บ้านน้อยเมืองใหญ่เพราะว่าเปิ่นว่าไปจาริกไปดีทางต่างพวกเปินสั่งสาวกของเปิลว่าต้องจาริกไปในที่ต่างๆเจะระญะภรมพิฆเวจาริกังเปิลสั่งเอาไว้นะพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุ ก, กรรมปายะเทวมนุษย์สานังเนี่ยบอกว่าภิกสูจ้งหลายจงปังเปิลไปบ้านน้อยเมืองใหญ่เพื่อ ประโยชน์สุขของพผู้หูโชนเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อเพื่ออิรูกะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปุณสั่งว่าที่บัดได้ฮือมาสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอย่างเงินกลางฮือไปทุกคนทุกแห่งโจนกระทังพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่บ้านเราได้ก็เพราะว่าอาศัยการทำงานของปุณเมื่อมาถึงพรรษาที่เจ็ดแล้วปุณวัดนึกถึงแม่น่ะแล้วไว้โปรดเราก็เวลาอันนี้ตั้งใจฟังน่อยนะเวลาเปุณไปแม่ปุณเนี่ย ย่เป็นนางศรมหามายาข้างในบอแจ้งนาัพุทธมารดาผิจยังไนไปเกินในสวรรค์เจนดุสิแล้วเวลาอย่าฟังธรรมเนี่ยต้องลงมาสวรรค์เจนดาวดึงเวลาอย่ามาับบินบาทต้องกลาวลงมาดีสะอนุดัดพระอนุพระสารีบุตรปินคนไปบินบาทมาทรงวัดีสะอนุดาดซึ่งเขาฟังเรื่องบางรึงบกบสอดคล้องก็ดมายควาว่ามันไก่อีเด้นะแต่นั่นเรื่องวันนี้จะบอดึงมาแยวแต่ใดแต่ให้เข้าใจว่าที่ เขามาคิดว่าเออคนเกิดในสวรรค์จันดูซิดแล้วจะได้มาแสดงธรรมจันดาวดึงเจะบทแสดงสวรรค์จันดูซิดแต่นี่มาน่าขิดละนะที่นี่สวรรค์อยู่ที่ไหนที่ฮวามื่กีสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจสวรรค์มันมีกี่จันโอ้สวรรค์มีหกจันจันยัง่องจันจาตูมหาราชจันดาวดึงจันยามาจันดูสิตจันปรนิมันิสันปรนิมิตเซวนิสันหกจันเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนพฟองไปไปหันไม้นะแต่ว่า เขามีเอาจื่อเอาเสียงต่างๆในมาใจในมนุษย์สโลดเขาเป็นดุสิตมหาปราศาสตรกะวัดเดวดึงกะจ้าทุมาหราช์เขามาใจกันที่อันนั้นเรื่องความจริงเป็นยังไงผู้พูดในศาสนาผู้ได้เจ้าปู้นสอนว่าสิ่งที่ผู้นสอนนั่นต้องพิสูจน์ได้สิ่งใดที่พิสูจน์ได้ไว้แจกคำสอนของปู้ได้ที่นี่หลายอย่างที่ผู้ได้เฮี้ยนนักหู้กันมาเนี่ยพิสูจน์ได้ อภิธรรมเจ็ดคำพีนี่เปิดเผยเตศแต่ก็นี่เขาก็พิสูจน์ได้ดังนั้นเพื่อรวบรัดตัดความนั่นหมายความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเปินแสดงได้เผยแผ่ธรรมครบเจดปีแล้วเปิดก็ต้องการพักผรปีกุเวกเนาะในการปีกุเวกนั่นเปิดว่าขึ้นไปอาศัยอยู่เชิงเขาเชิงเขาเชิงเขาฮิมาลัยเดี๋ยวถูเขาเอเวอเรสต์ทุกวันเนี่ยในเชิงเขาเนี่มันก็จะต้องมี อย่างปัจจุบันเนี่ยที่ไหนมีป่ามีเขามาีดินดําน้ำดีกับคนก็นไปสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างดีสอดสร้างที่อยู่พักบ้านพักต่างอากาศนะที่ถ้าสมมุติว่าเขาไปพักถ้าพาไปพักเนี่ยคนทั้งหลายแล้วนี้ก็จะมาดูแลมาบํารุงมาบํารุงมาดูแลเปรื่นเปรียบเสมือนว่าสถานที่มีอากาศดีมีอาหารดีมีน้ามีหุนต่างมีอากาศดีเนี่ยเป็นเหมือนสวรรค์ จะได้บ่กเจ้าดูซิดจะได้บ่กเจ้ดูซิดดูซิดแปลว่ายังน่ะเพราะนั้นสวรรค์เจ้าที่หึงจะได้จีวัจจารุมหาราชก็เพราะว่าเท่าจารุมหาราชแปลว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าทั้งซีเจ้าอย่างเจ้าทศตรดเจ้า ว, วิรุณฮาเจ้า ว, วิรูปักเจ้าวเวสุวรรณตั้งซีเนี่ยเอ้เจ้าทศาตรดแปลว่าถาดดินน่ะวิรุณฮาแปลว่าถาดนา้ำ วิลูปักเวดวัฏถดล้มเวสุวรรเปรตวัฏถัดไฟคือดินน้ําลงไฟนี่แหละทีนี้เขาย่ห้องวัฏถัดดินน้าลงไฟมันกป็นู้ซื้อว่าเป็นตำราเกินไปเขาเอาเรื่ห้องวัฏถัดคําว่าเท่านี่มาจากถัดเท่าทั้งซีเขาก็มาทําให้บูชาเท้าทั้งซีเนาะเท่าทั้งซีเท้านั่นเท่านี่ก็คือบูชาาัดทั้งซีของเขาเนี่ยถัดดินน้าลงไฟเมื่อถัดดินน้ำลงไฟเขาสมบูรณ์สมดุลกับดินี่ยางหืดตาเขาได้หันนะ นีคือตาหันเพราะฉะนั้นสวรรค์เจ้นจารุมหาราช ก, ไกาา็ได้แก่ตานะได้แก่ตาสวรรค์เจ้นที่สองควรว่าจะได้ถ้าบอกว่าเขียนดาวดึงเขียนว่าจะได้ก็เขียนถูกก็ดาวดึงเราในสมัยนี้เขียนดาวดึงบูทูนะเขียนให้ฟังดาวดึงเขียนถูนกก็มีอย่างการันต์เน้อ เสือเสือกระลั้นเสือกระลั้นมาจากไหนดาวดึงบอกว่าดึงดาวดวงมาตัําๆไม่มีนอไ่ใช่ดาวดึงมาจากคำว่าภาษาบลเรี่ตาว่าติงสาเพราะนั้นคำว่าสาดูนั้นเฝุ่นโบได้ออกบริก็ตาว่าติงสาเลยก็ไม่ทันทักขาดเป็นตาว่าติงสาเฮามาเรียนภาษาไทยว่าดาวดึงสาตาว่าติงสาอ่นมาโนะเฮามาเรียนสั้นว่าดาวดึงนะ ที่นี่ดาวดึงสวรรค์เจ้นทีสองมันมีผอยู่ฮันทพองดาวดึงก็มีสาวจักรเทวราชนาะเป็นเจ้าของสวรรค์แล้วก็มีนางฟ้านางสนมพุ ม, มสาวสวรรค์มาอยู่หันหลายเป็นหลายมื่นหลายแสนเนี่ยนะที่นี่เจ้นดีสองคือหูหูเนี่ยมันสามารถฟังเสียงได้ถึงกี่เสียงสามสบสองเสียงแล้วไปเป็นผู้รับรู้ว่ามีเสียงถึงสาสองเสียง คือใจเป็น3าเพราะนั่นดาวัติศาสเปว่า3สคือธาตุสาอาการ3ามสิบวกจิตเป็น33นะเพราะฉะนั้นเวลาหูดีเนี่ยหมายความว่าคนนั้นจะฟังเสียงครบได้ถึง3ามสิเสียงสวรรค์แจ่นที่2คือหูดีสวรรค์แจ่นที่หนึ่งคือตาดีดาหันทีสวรรค์แจ่นที่2คือหูดีฟังฟังสองเสียงฟังเสียงเขาชมกับได้ฟังเสียงเขาด่ า, ดาก็ได้ อันนั้นไม่จะเป็นสวรรค์แต่คนส่วนใหญ่ทกโลกถ้าฟังเสียงเขาชมแล้วดีใจแต่ฟังเสียงเขาด่าเขานินทาเขาวิพากษ์วิจารณ์เป็นยังไงป้อยใจก็ตกนรกทันทีแต่คนได้ก็ตามฟังเสียงอนไดที่เขาดาขาววา่าเขาว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็สบายใจเขาชมก็สบายใจบ่ขึ้นบ่ลงสม่ำเสมอนั่นเรียกว่าคนนั้นอยู่ในสวรรค์จันดาวดึงส่วนใหญ่เขาตกสวรรค์นี่ก็เวลาเขาชมอุมาดีๆเนี่โดนด่าปั๊บโดนวิพากษ์วิจารณ์ปั๊บ ยิ่งใจตกทันทีจารไปเม่กี้เป็นนั่นสวรรค์นนะมีอาจารย์เซนคนหนึ่งอันนี้ขอเรานิทานก้มน้อยน ะ, ะมีนักสมุไรคนหนึ่งอยากจะหัวว่าสวรรค์เป็นจะได้นรกเป็นจะได้มีแต่กัหรือว่าครูบาทุเจ้าอามาจูกันเพระเาะฉะนั้นนักสมุไรนี่เข้าไปหาอาจารย์เซนเข้าไปถามว่าพรอคุณเจ้า ผู้ชักว่าท่านผู้ชักเรื่องอนรกสวรรค์ดีอยากจะถามว่านรกเป็นเชได้สวรรค์เป็นเชได้พอมาถามเจ้า น, นีอ่อาจารย์เซนบุญกำลังนั่งดื่มน้ําชาอยู่เนาะยกแกว้วศาสตร์้นหน้าพุ่งเลยโอ้โหปรากดว่าสมุไร ย, ย่อดสมุไรพรุนนี้เป็นเชได้ชักสมุไรเจ้าอย่าเข้าไปเปลีนที่นะนี่นรกเกิดแล้วงั้นนรกเกิดแล้วเนี่ย ไดสติเลยโกมรูกลมล้ ก, กาวโอ้ขมขอดหุนโอ้สวรรค์เกิดแล้วนี่อั <Uncle. S 1> นก็นี่คือนรกสวรรค์แบบปัจจุบันท่านดวนลักษณะที่คนเขาส่วนใหญ่เนี่เขาทนได้อยากจะได้สวรรค์แสวงหาสิ่งที่มันเหมะหูมันม่วนหูซี CD, ดีทีไหนเพลงทีไหนรุน่นที่ไหนไปฟังกันฟังกันบพุพผาเอามาใส่ซีดีมาใส่ไอพอดมาใส่หูมาใส่วอกแมนใส่หู ดหลอดเวลาฟังเดบเพลงอันนี้พอที่สวรรค์เจ้านดาวดึงแต่ไผไปบดาใส่หน้าเขาปั้มนิดตกนูก่นลงทันทีนะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในสวรรค์เจ้า น, นี่บดได้เหมืนอนเป็นเทวดาก็บบได้สวรรค์เจ้านี่สามจื่อไวยังจําได้กับไผเป็นย้ำของชีวิตชีวิตเขามีย้ำอยู่คนหนึ่งถ้าขาดเปืนบดได้ขาดปืนลเขาตายทันทีนึกออกเลยยังไผ่บอกชีวิตของเขาเนี่ยมีย้ำไผเป็นย้ำชีวิตของเขา ลมหายใจเป็นยามของชีวิตหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาจีก่อันนั้นเรียกว่าลมหายใจนั่นเป็นยามเฝ้าสวรรค์เจ้าดีสามเพราะนั่นสวรรค์เจ้าดีสามจีว่าชั้นยามาชั้นยาวมาหมายความว่าเป็นยามลมหายใจนี่เป็นยามของชีวิตแต่ว่าสวรรค์ชั้นยาวมานี่เหมือนกันถ้าเฮาได้กินหอมเฮากับปลอยใจถ้าได้กินเหม็นนะบุปปล่อใจแต่คนชจีอยู่ในสวรรค์นี่ สามารถยอมรับได้ถ well. ึงกลิ่นหอมได้กลิ่นเหม็นสามารถยอมรับได้ถึงความสุขและความทุกข์สามารถยอมรับความพลอใจบ๊พอใจในเวลาเดียวกันด้วยใจที่ปกติเนี่ยได้กหอเนี่ยบุได้พ่ออย่างพราะเขาบุได้ฝึกจิตใจเขาบุได้ภาวนาคนเนี่บุได้ทําภาวนานี่ยาหยส่วนใหญ่เขาเก็บกดเอาไว้เวลาเขาว่าเขาด่าเขาวิพาควิจารน์เขานินทาเขาบ๊ออใจเขากะเก็บกดกันเอาไว้เนาะเพื่อมารยาทเนาะ แต่ถ้าหากว่าเขาชมเชยว่าโอ้คุณนายเปย่านคุณหญิงเปยี่พอออกไป็นยนโอ้นาไงใจบ้านแต่พขเออมึงค้นเป็นยี่จะโดนดาตีได้มาไงหลังทันทีเหมือนตกนรกทันทีเพราะนั้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอย่างใจคือใจอีได้ว่าสวรรค์เจนตีอย่างเจนตีสามได้ยังก็สวรรค์เจนตีสีชื่อว่าจะไรเจนดุสิตเจนนี่แหละตีมารดาของพระพุทธเจ้าไปเกิดสวรรค์เจนดุสิตดุสิตสวรรค์เจนตีสีสวรรค์ัจนตีหนึ่งชื่ออย่างก็ เท่าน in ึ่งคำจํามดได้แล้วจํามดได้แล้วเพราะงั้นทุกเจ้ามาเทรงานน่ยคือบางค้งการศึกษานะมาเทศมาเป่าผมเอาใจกันมาจว่าโยกยอพอปันกันเด้อคือมาศึกษาว่าสิ่งที่เขาบอกเคยหู้เขาก็จะได้หู้สิ่งบอกเคยได้ยินเคยได้ยินสิ่งที่ได้ยินได้หู้แล้วก็จะมีความเข้าใจได้นักขึ้นจิตใจเขาก็จะเที่ยงตรงจิตใจเขาก็จะสบายเป็นว่าอันนี้อันนี้ส่วของกันฟังเนาะ สวัสดีเจ้ที่หนึ่งชื่อว่าจาตุมหาราชสวัสดีเ้ที่สองชื่อว่าดาวดึงสวัสดีเจ้าที่สามชื่อว่ายาวมาสวัรดีเจ้ที่สี่ชื่อว่าอย่งดูซิอ่าดูซินี่แปลว่าลิ่นลิ่นตุสิตะเนี่ยตุสิตะแปลว่าประศารรับรสเป็นพันๆจุดเขาอยาหันเวลาเขาสบายเขาีแลบรียดอม่เรียเขาเป็นจุดน้อยนน้อยน่นั่นเป็นว่าตุสิตะคือจุดรับรสที่ มายินดีกันเราิูซิเพราะนั่นประเทศไทยของเป็นประเทศสวรรค์เช่นดูซิพ่ออย่างมีร้านอาหารทั่วไปทุกหัวทุกแหง่องพ่อเนือาหารอร่อยนะทํากับข้า ว, าวอร่อยจนกลายเป็นครัคโลนะ่เอามาไปยุโรปปีนี้ตัวซี ป, ประเทศแต่แต่แต่ละประเทศต้ตองมีถ้าหากที่ไหนมีร้านอาหารไทยแนละ้วคนก็นอย่าไปทีฮั่นถึงแม้ว่าเจ้าของใจคนไทยกระตายแต่เขาคือกู้เป็นคนไทยนะพ่ออย่างพราะคนไทยเขาทําบุญหลาย ทำบุญด้วยอาหารการกินดีๆอาหารการกินดีๆต้องถวายทุกเจ้าก่อนเพราะฉะ้นมันก็เลยเป็นบุญว่าได้ทํำก็เข้าถวายทุกเจ้าทุกวันทุกวันมันเป็นการฝึกนหน่อยฟื้ไปฝึกมากเกิดความชฉยเมชมํชมนานัอาอนอะไรดีเงี้ยให้ทุกเจ้าลำล้ำเสร็จแล้วมันก็ได้บุญ น, นั้นน่ะเขาเลยเงี้ยอย่างกําลังทัวร์โลกก็เรยว่านีโยมอาหารไทยเพราะเขาได้สวรรค์เจ้นทีซีเขาก็เลยสวรรค์เจ้านี่มาตั้งชื่อของดุสิตมหาภิสสาสวรรค์เจ้นทีซี พระมารดาของพุทธเจ้าเนี่ยเปินตายไปหรือเป็นเปิลสวรรคตไปไปเกิดในสวรรค์เจนีตในสวรรค์เจนีตมีคนสองประเภทที่เกิดได้หนึ่งพระโพธิธสัตว์สมารดาของพุทธเจ้าแม่ของพุทธเจ้า2ประเภทนี้นะหมายเขาว่าแม่ของพระพุทสัตว์พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมาเกิดต่อไปเนี่ยไปเกิดอยู่ฮันมดพระพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีอย่เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปจะมาเกิดอยู่ในสวรรค์เจนีตมดอันนี้ฟังไว้ก่อนนะสวรรค์เจนีที่สและสวรรค์เจนีตที่ห้ี่วันจะได้ นิมมนรดีตาหูจมูกลิ้นกายกายของเขาเนี่ว่านิมมรดีหมายเขาว่ากายของเขาเนี่ยเป็นนิมิตหมายเขาว่าเขาได้สัมผัสอย่าง ด, ดีเนี่ยเขาพอใจในการสัมผัสอบอุ่นสัมผัสคือหมายเขาว่าสัมผัสอะไรที่มันอบอุ่นมันนิ่มนวลมันสบายมันเย็นนุมน่มหนีน่นก็เลยว่าเขาได้สวรรค์ละนะแต่ว่าในสวรรค์ท่านดีซีเนี่ยถ้าเขาได้กินล้ำเขาก็ได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเขากินบาล้ำไปจะได้พองพอใจก็ ถ้ากินบล้ําบัวอยใจนี่ตรนรกนั่นนะตรนรกแล้ ว, นะลวเพราะฉะนั้นลิ้นเขาเนี่ยกินล้ํกกาก็ได้บล้ําก็ได้เขารู้สึกสบายสบา ย, บายนี่ก็เรียเป็นสวรรค์ละนะเขาเจ้าจะรส ด, ดีอย่างเดียวรสบันนี้เขากินได้โดยเฉพาะอาหารที่บรรลุเสื่อมคามจะเป็นอาหารที่บัอร่อยแต่อาหารที่่เนื้ออร่อยนั่นเป็นอาหารผิษเป็นส่วนใหญ่เพราะมันมีการปรุงแต่งด้วยสีด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสิ่งต่างๆสิ่งพร้อมพ้นต่างๆนี่ก็เนื้อ่อสุขภาพบันี ด้านั้นคนบ้านเขาหรือแม้ว่าจะมีร้านอาหารหลายแต่กับเจ็บป่วยกันหลายพ่อเรื่องอาหารดี่อนอายุ30 40, 40 50เขากระปวยกันแล้วพราะว่าเขากินสารพิษเข้าไปนักดังนั้นปัจจุบันนั่นก็มีค้นกลุ่มหนึ่งหันมากินอาหารปลอดสารพิษเรียกว่าออร์แกนิกฟู้ดนะนั่นสําหรับค้นดีมีการภาวนาะอยากกินอาหารแบบธรรมชาติได้กล้วยเนี่ยเรต้องไปเราต้องไปบดชี้บรต้องไปแยกขนมอย่างเขาเอากินกล้วย แบบธรรมชาติได้คุณภาพของกล้วยนักกว่าแต่มันบดแล้วเหมือนกล้วยบุชีบดแล้วเหมือนขนมกล้วยนะฮะนนี้สวรรค์เจ้านี่สี่ถ้าหากว่าเฮาได้โรสที่ปล่อยใจเฮาก็ได้ขึ้นสวรรค์เฮาได้รสที่บ่ปล่อยใจก็เหมือนว่าเฮาตกนรกเฮาปล่อยใจเพราะย่านด้วความตีอาหารอร่อยบ่าอร่อยบัจะเป็นเหตุขึ้ไปสวรรค์ตกนรกแต่ความปล่อยใจบ่ปล่อยใจเป็นเหตุขึ้ไปสวรรค์ไปต้องไปตกนรกได้ตีความปล่อยใจบ่ปล่อยใจ เพราะด้านอาหารมันอย่ารอยบ่อรอยก็ได้แต่อย่างคือความป้อยใจบ่อป้อยใจอย่าเกิดขึ้นนะเขาอย่าบ่อดต้องนรกได้สวรรค์จันที่5คือกายนะสวรรค์จันที่6คือใจเพราะญ า, าะตินะทีหกก็เจ้าก็สวรรค์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> นะสวรรค์จันที่1เ <c oughs> พราะว่าตานี่สามารถมองไปที่ทั้งสีเลียว่าใจจุมหาธาต เอาย้าหูไปพอแทนก็บอะไรเอาจมูกไปพอแทนก็บอะไรเอาตาอย่างเดียวว่าเป็นไงนะเดี๋ยวนั้นเมื่ อ, อพระมารดาเป็นสวรรคตแล้วกลับไปเกิดอยู่ที่นี่สวรรค์จั ด, ดุสิตหมายความว่าจะได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าหลังจากทติดพนไปปรีกวิเวกแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีแม่ครัวคนหนึ่งเ่ยอาหารด้ำลําก็มาขอเป็นทำอาหารถวายเป็นอุปทาของพระพุทธเจ้าจวนกับ เปื่นปีน้องหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยมาถวายอาหารพระพุทธเจ้าถึงวันถึงวันเรียกว่าเทวดาจนครบสเดือนแล้วในช่วงสมเดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าก่นนําเอาคําสอนต่างๆที่พุทธสอนมาเจปีเนี่ยมาพิจารณามาพิจารณาหลาอย่างหลายอย่างหลาอย่างไปจนกระทั่งเรียกว่าอภิธรรมแต่ในสมัยนั้นคําว่าอภิธรรมโบมีมีแต่คําว่าปรมททัติธรรมคือธรรมที่มัน ละเอียดลึกซึ้งเป็นประมาจนะเอามาเรียบเรียงกับมูฮาบูนะแลนั่นก็เรียกว่าแต่ละอภิธรรมเนี่ยเรียกว่ากุศลธรรมากุศลธรรมมาปยากตาธรรมมาทาก็ฟังไปทีอะแต่บนแปลว่ารำนานี้สามอย่างทำตีดีก็มีทำตีบดีก็มีทำที่กลางกลางก็มีทำทีอย่างคนเงาก็มีทำทีอย่างค้นฉลาดก็มีทำทีอย่างค้นเฉยๆก็มีอ่าบนว่ากุศลนี่แปลว่าฉลาดไ่ใช่ว่ากุศล ถ้าหากว่าอกุศลแปลว่าบุญชลาดบ้านเขาเลียกพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นคือกุศลอู้บ่เป็นทาบ่เป็นคิดบ่เป็นเลวบ่เป็นอกุศลบริจาอกุศลเนี่บริจาชั่วด้วคือเนี่ยบ่เป็นคือเน่ยังบ่เป็นเขาจังว่าเมื่อเนี่ยบ่เป็นเมื่อนี้กูเน่ยคงอเนีบ่เป็นไอ้การเาีบ่เป็นหมความบ่มีปัญญาบ่มีประสบการณ์บุญชลาดในการเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเหตุที่เกิดการพิษพลาดไอ้ตัวพิษพลาดนั่นเองมันเป็นความบุดีเขาเรลยวอกุศลนะดังนั้นเขาจึงสร้างกุศล คนไทยเขาส่วนใหญ่ทำบุญแต่บอกให้ทำกุศล น, นะทำบุญคือการรักษาสี่คือการื้ดตานแต่ทำกุศลคือการภาวนาะภาวนาะการภาวนาเนี่เขาก็ภาวนเาเปะเป็นพิธีเนาะหนัง5นาทีสินาทีเพราะนั้นอาตมาเองก็เลยว่าหลังจากที่ได้บวชแล้วตั้งแต่ปีปุ้นนะนะปีตั้งแต่อยู่สิเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะ่ะหกสิบปัยละ ก็พู้ซึ้งว่าการภาวนาเป็นเรื่องสําคัญพ่ออย่างพ่อคนเขานี่จะเป็นตุกพ่อตุกเพราะความคิดนะถ้าเขาคิดแล้วถ้าบ่ได้คิดนี่มันจะอยู่บ่ได้ถ้าบ่คิดบ่ง่วงก็รับบ่รับก็ง่วงแต่ถ้าเขาได้คิดแล้วมันจะตื่นมันจะซืนขึ้นมาเลยเพราะนั้นการภาวนาะนั้นบริจัการรับบริจัยการสงบการภาวนาะคือการมาพอว่าคิดของเขาเนี่ยขณะนี้มันคิดหรือบ่คิดมันบ่คิดพ่ออย่างมันคิดพ่ออย่าง มาเฝ้าพอชิ้ใจของตัวเองว่าวันหนึ่งเขาคิดจี่เต๋อวันนี้คิดกี่ครั้งแล้วบ่นว่าวันนี้ชั่วโมงนี้นะที่ผ่านไปนเนี่ยคิดกี่เรื่องแล้วนะนะอาการที่เขามาเฝ้าพอความคิดนี่เรียกว่าวิปนะัสนาการมาเฝ้าพอกายของเขาเนี่ยร่างกายของเขาเนี่มัน <c oughs> ประกอบด้วยธาตุสีขันห้างบริจัของเขาเนี่เขาก็พยายามปดพยายามปลงพยายามปล่อยพยายามวางนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวสมถะ แต่ว่ามันบดยสำคัญเตาใจของเขาใจขเข า, ามันคิดมันคิดแล้วย่าจะได้คิดมันน้อยลงแต่นี่เขเรียกว่าวิปัสนาภาวนาหลังจากที่อนุทวีได้ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วศึกษาปริยัตอยู่สิบกว่าปีบางหัเรื่องนะเรี่นทำตีโทเอกเรียนมหงมหาไปหมดแต่ยังตุกเหมือนเดิมยังจบมหาลัยยังตุกเหมือนเดิมพ่อยังพ่อเขายัางคิดอยู่พ่อยังคิดอยู่เพราะด้านการวิปัสนาหรือทํากรรมฐานเพื่อคือใจความคิดเป็นบาใทีคือสิ้นคิดนะบางทีคือนะไปส ก, กัดความคิด แต่คือใจความคิดคือเป็นแต่คนส่วนใหญ่ใจความคิดบ่เป็นใจความคิดไปเรื่องความโลภพองใจความคิดไปเรื่องความโกรธพองใชจความคิดไปเรื่องความหลง่องความคิดเลยไปรับใจโลภโกรธหลงบ่ได้มารับใจศีลสัมฤทธิปัญญาคนมาเลยตุกกันเจ้ก็แล้วกันไปทีนี้เกิดมาเจอเดี๋ยวบุถึงร้อยปีเนี่ยเขาอยู่ด้วยความทุกข์ถ้าเป็นมนุษย์เกิดมาอยู่ด้วยความทุกข์ตายไปเขาก็ยังอยู่ด้วยความทุกข์ไปเกิดเป็นอบายภูมิ นายบูนี่เป็นอย่างพ่อ ข, ของเขาหุงจัดกันเนาะสนารโรคเปรตสุรก า, ายเดรัฉาในเยอไปคุ้มแต่ในส่วนที่เป็นสุขทิภูมินั่นก็อย่าไปสู่เทวดามนุษย์สวรรค์พรหมพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาบุถึงร้ อ, อยปีเขายังมานั่งทุกเพราะเรื่องของอื่นเนี่ยอย่างเขาเนี่ยจะชิจัยจะได้สบายชิจัยสะอาดชิจัยสว่างชิจัยสงบที่ใส่เยือกเย็นเนี่เออยเขาเนี่จะได้คือเนอี่เพราะตายไปแล้วบวชขาดทุนถ้าตายไปแล้วถ้า มีนิพพานเท่ากับไปนิพพานได้มีสวรรค์เทากัไปนไปสวรรค์ได้มีนรกเท่ากับไปได้ไปนรกเพราะอย่างพ่อชี้แจเขาเยือกเย็นนะพ่อชี้แจเย็นแล้วมันไดไฟนรกได้แต่หาชี้ใจเให้เราร้อนชี้แจงให้บุญไว้ด้วยความโกรธความโกรธความโงอยู่นี่ตายไปนังตกนรกแน่นอนเพราะว่าไฟนรกเนี่ยมันมีมั้งเป็นมนุษย์แล้วพอไฟมนุษย์ตีจิตมันห่อนพอตายไปปั๊บมันไปติดสาไฟนรกเหมือนเหมือนเหมือนไฟแก๊สอ่ะพอถูกไอ้สเก็ตเข้าไปสปาร์คขึ้นมากัดติดทันท การที่พระพุทธเจ้าผลดนะพร่ทำเจ็ดคำพีมาเทศก็คือการที่มาบอกคือว่าคนเขาเนี่ยมันมีเจ็ดมีอยู่เจ็ดตามด้วยกันที่จะไปไปตั้งทุกขติสีไปตั้งสุกติสาทุกขติมัมีสนโรคเปรตอสุรกายเดรัจฉานสุกติก็จะมีมนุษย์เทวดาพรหมสามหนึ่งถ้าหากไปเหนือคนที่ เขาต้องไปเส้นทางที่8ดคือเส้นทางของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าอยอยู่เหนือทั้งนรกเหนือทั้งสวรรค์นรกก็บวไปสวรรค์ก็บวไปแล้วถ้าเอไปสวรรค์อยู่เขาก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องตกนรกถ้าไปนรกอยู่วันหนึ่งเขาไปสวรรค์เขายังดีใจอยู่วันหนึ่งเขาต้องเสียใจถ้าเขาเสียใจอยู่ยังวันหนึ่งเขาก็ดีใจนะก็ไปก็มาอีกเขาเรียกว่าเป็นวัฏฏะสงสารแต่ถ้าเขาอยู่เหนือความปลอยใจบล่อยใจอยู่เหนือความ สุขความทุกได้เรียกว่าเป็นพระอรีย์เจา้ามีเหมือนกันนะบริเจบรมีนะโดยเฉพาะเมืองไทยเขาเนี่ยเป็นดินแดนของพระอรีย์เจา้าเป็นดินแดนของพระอรหันต์มันก็จะมีทุกอย่างมีถึงเปตุสุรกายนรกเดรัจฉานเท е วดาอินพรมพระอรีย์เจา้ามีผลกันอยู่เนี่ยแต่ว่ามีอยู่ในใจเขาเนี่ยเขาถึงมีครบต้งเช็ดยางนี่นะแปดยางนี่นะเขาต้องหาทางที่แปดที่เจอพระเจ้าเรียกว่ามักแปดมักมีองค์แปด มักเจ็ด ห, หมว่าเป็นสวรรค์สวรรค์จะทุ ก, กทุกข์ที่ใหญ่สามทุกข์ทีใหญ่สีเป็นนิพพานอย่างนหนึ่งเรียกมักสี่ผลสีนิพพานหนึ่งบนว่าดังนั้นพระแม่ปิน้องทั้งหลายในฐานะบ้านวังหงเขาเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระที่เขาประชาชนพูดจักกันดีเดี๋ยวทุกเจ้านำมากนะบ้านปากปานห อ, อ, อถ้ามีคนตายเราต้องนิมนต์ทุกเจ้าวานเขาเนี่ยไปเทศนะต่วันนี้เอามามาถึงดินแดนของ พี่เจ้าหนา ม, มากแต่ว่าบริป้าฝนกําเดือนเป็นคนจะได้นอดังนั้นเองกับบ้านเขาถือว่าเป็นบ้านของเป็นที่อยู่ของนักปราชญ์อาจารย์เราต้องมอีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีว่าสวรรค์ในอกเป็นจะได้นรกในใจเป็นจะได้สวรรค์อยู่ที่ไหนนรกอยู่ที่ไหนต้องชี้แจงสามารถชี้แจงขึ้นรูขึ้นหลานฟังได้แต่ถ้าหากว่าเอา เรื่องคำภีไปชี้แจงก็รู้หลานบอฟังกันแล้วสมัยนี้นะเพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่มีการศึกษาแล้วที่เขาสอนเจ้านสมัยก่อนมันยังบม่มีการศึกษาต้องสอนว่านรกอยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนฟ้าแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยบอกว่านรกอยู่ในสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไปตามยุคตามสมัยนะแต่เขาอย่าเชื่อสิ่งใดนั่นต้องพิสูจน์ได้อันใดพิสูจน์มาได้ไปเชื่อถือว่างมงายนะแต่ถ้าหากอันใดพิสูจน์ได ความห่อนใจมีจริงก็มีความเย็นใจมีจริงก็มีความอยู่เหนือความห่อนความเย็นใจมีก็มีนั่นพิสูจน์ได้แต่บอกสวัสดิ์อยู่ในอยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินนี่ไปแต่ได้บอกปะพิสูจน์ไรผู้ดีเจ้าถือว่าบทเรียนคำสอนของคุณแต่เขากไม่สอนกันเพราะว่ามันพิสดุดีสมัยนะถ้าสอนว่าสมัยร้อยกว่าปีว่าได้ผลนะแต่มาสอนสมัยนี้ไม่ได้ผลละเพราะว่าวิทยาศาสตร์เขาก้าวนะวิทาศาสตร์เขาเจริญ น, นะ ดังนั้นอาตมา ก, ก็เลยว่าอยากจะได้พ่อแม่พิน้องบ้านเฮาโดยเฉพาะบ้านวังหงนะเป็นบ้านที่อยู่ของนักปราชญา์นักบวชนักเขียนนักพูดทั้งนั้นถ้าหากว่าเขาบวได้ศึกษาเรื่องนี้คือดีเนี่ยลูกหลานเขาใหญ่กาณาบ้านการศึกษาสูงถ้าหากเขากาถามปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเขาบวสามารถอธิบายบรรยายขอฟังได้เนี่ยเขาก็เสียหนา้าเลยว่าใหญ่พ่อขีเ่เข้าเท่าพอเกินเหมือนนี่กับบได้เหมือนกันนะมันจะต้องเรียนลูกทุกอย่างอย่างเทียบ สามารถเี๋มีเหตุมีผลหรือคนหนุ่คนมคนสาวเขาฟังได้เพราะนั้นเขาถึงบอแปลกใจว่าพ่อจะได้ทุกวันเนี่ยคนหนุ่มคนสาวยังบอกเขาวัดพ่ออย่างพ่ออธิบายเขาไม่ได้เมื่อเขาสงสัยไปหาทูเจ้ารูเจ้าผลดูาบาบริยุทธ์น้อนมีกินนิมนต์นักลลำไปเพราะนั้นอามาเองก็เลยบอบอกรับเรื่องนิมนต์แต่ไปบรรยายทำอยู่แต่อย่าไปสวดไปฉันไปมันทูเจ้าไหนก็ทําได้แต่เรื่องที่จะไปชี้แจงความจริงกันฟังเนี่ยจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติ ปัจจุบันนี้ปรากฏว่าญาติโยมที่เป็นกุหัสจาบ้านเนี่ยเขาสแสวงหาธรรมะสแสวงหาการปฏิบัติอาตมาสร้างสำนักมานี่30บกว่าปีแล้วอยู่ที่เมืองไทยนี่มี8แห่งที่ไปเนยมาที่ลกิปยมาอยู่เมกาอยู่ยุโรปนะอยู่ที่เยอรมันปีนี้มาครับมากว่ากย่ามาเข้าภันสาพคนดีก็เอาเรื่องนี้ไปสอน เอาเรื่องวิปัสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นในต่างประเทศที่เขาเจเริญแล้วบเขาเอาเรื่องอื่นไปสอนเขานอกจากเรื่องวิปนะัสนาเรื่องวัตถุเนี่ยเขาหูเรื่องมดเขาทัสรุปในเรื่องของวัตถุแต่ในเรื่องจิตเนี่เขายังไปบูถึงเขายังตุกอยู่เขายังเครียดอยู่เขายังวิตโยกังวลอยู่เขายังเรียกว่าเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความร้อนเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคมะเร็งกันก น, นันกอยู่เนื่องมาจากความเครียดเพราะความเครียดเขาเนยเขเป็นโรคสารพัดอย่างและนั้นนเขรียกวาภาวนาเนี่ย ชีวิตชีเจ๋เขาอย่าบเครีตนะมันอย่าผ่อนคลายมันอย่าสบายมันอย่าเยือกเย็นนั่นคําว่านิพานคือการผ่อนคลายอย่างสูงสุดปุ่นใจคําว่า perfect relaxation ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์นะบเครียดหมายความว่ามันมันมนิพานก็คือเย็นผ่อนคลายแต่เมื่อใดที่ใจเขาตึงเขาเครียดเขาห้อนเขาบ่อสบายนะี่ยหมายความว่านารกอยู่ไกลละนรกอยู่ไกลละนะ นั้นพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้ที่จะมามาขอดก่อนก็พอมาจากบ้านไก่เนาะมาจากเดินใจพุ่นเนาะวัดก็อยู่บนร้อยในป่าว่านหะน้าวิจัยอยู่ในบ้านในเมืองเขาทั้งนี้เพราะว่าเขาต้องการที่อยู่ในที่อากาศดีสงบเพราะาเขาเกิดมาเป็นคนตึงเตือนเขาไปอยู่ตึงตุกตึงยากตึ ง, ต ง, ตง บาปถึงกรรมนี่บะคุ้มกันที่เขาเกิดมาเขาจะฉลาดร่วยลํำรว ย, ยขนาดไหนก็ตามบะคุ้มกันการเกิดมาแต่เขาเกิดมาแล้วบ่มีอยังสักอย่างก็ตามจีใจเขาสะอาดสว่างสวบถืบอว่าคุ้มแล้วในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะดังนั่นก็อยากจะฝากคือพ่อแม่พี่นอ้องครูบาอาจารย์ในบ้านวังหงนะโดยเฉพาะมีคนอุบายซกเป็นตัวอย่างคนหนึ่งอาจารย์หยุดนะไปปฏิบัติกันมาตั้งหลายปีแล้วนะแต่ว่า มาชมูาฟังว่าโอ้บ้านวังหงบอใครสนใจเรื่องจะได้เรื่องภาวนานี้เนี่ยจะได้นะธรรมะก็บอกว่าเออต้องฟังกันมันมันทำความเข้าใจกันมันมันะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โบมี่อย่างเปลี่ยนแปลงโบได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าจะถึงเวลาหรือไม่นะดังนั้นในคําคืนวันนี้อาตมาได้น้าเรื่องของตีม้าของอภิธรรมเจ็ดคำพีแต่ว่าโดยข่าคร่าวนะเพราะว่าละเอียดโบได้เวลามีน้อย จะขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาศึกษาพ่อทุเจ้านั่นต้องการที่จะฮือข้อมูลการศึกษาเพอเรื่องรล่าต่างๆของโลกนี่ญาญมเก่งกว่าพระหลายเต่านะแต่เรื่องจริงรมในบางทีอาจจะบม่มีเวลาที่มาศึกษานักกับทุจ้าก็ต้องฟังแลกเปลี่ยนซึ่งกันอะไกันแบ่งปันซึ่งกันอะไกันก็ขอฮือญาญมทั้งหลายที่นำเรื่องที่มาฟังในวันนี้ไปพิจารณา ในส่วนไหนที่เป็นความจริงก็เอาไปทดลองพอในส่วนไหนที่ยังบอกเป็นความจริงก็เอาไปศึกษาพอก่อนก่อนอเชื่อนะก็ขอคือการตั้งใจวันนี้จงเป็นเพราะว่าปัจจัยเพื่อเกิดสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตจิตใจมีอายุมันขนยืนตั้งแต่บัดนี่ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอนสาธุ